ข อ, อความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องมงคลสืบต่อไปและได้กล่าวไว้ในวันก่อนว่าจะนำหลักในมังคลัตติปนีซึ่งเป็นผลงานการรวบรวมเรียบเรียงของพระสิริมังคล า, ารย์ เป็นประเทศของไทยนะฮะอยู่ทางเหนือจะอยู่เชียงใหม่นบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เป็นผลงานที่หล่อเลี้ยงสังคมไทยสืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคสุโ ข, ขทยัยคือถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดูว่าเอกสารวรรณกรรมที่ต่อเลี้ยงสังคมไทยมาจะมีไม่กี่ฉบับ สภแรกก็คือทศชาติหรือเวสันดรฉดุกหมาชาตฉดกุกเรื่องที่สองก็คือเรื่องมังกรติตีปณีเรื่องที่สามก็คือเรื่องพระมาลัยเทวเถรเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องหมหาวิบาตเรื่องที่ห้าก็คือไตรภูมิพระรุง่ง เรื่องในหกก็นายพรานคืนศีลเรื่องใ่เจ็ดก็จะเป็นสุภาษิตรพระร่วงซึ่งก็เล่มไม่ค่อยโตเอกสารเหล่านี้จะเน้นหนักไปในเรื่องกฎแห่งกรรมกับกฎแห่งสังสารวัฏแต่ว่ามังกรตัตตทีปนีนั้นจะเน้นหลักการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ขึ้นไปเรื่อย ผลลัพ ก, การในการเรียบเรียงคำพีรุ่นหลังก็เรียกว่าคำพีตั้งแต่ระดับอัตถกถาลงมาก็เรียกว่าจับมีปรนามาคาถาคือคาถาที่แสดงถึงความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเป็นตำนองการไหว้ครูนะฮะถ้าเรามองดูการละเล่นต่างๆเรืวรรคดีต่างๆในสมัยโบราณ จะมีบทไหว้ครูในตอนต้นก็ทํานองกับพระเทศเนะคือจะขึ้นบทนโมคือแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าไปก่อนแล้วถ้าเรามองในยุคก่อนคือประมาณสัก 7-80 ปีที่แล้วมาเนี่ยเวลาพระท่านเจเทศเนี่ยนอกจากแสดงความนอบน้อมด้วยบทนโมต่อพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะยกคาถาเป็นพระธรรมที่เป็นพระพุทธภาษิตจากนั้นก็จะกล่าวสันเ ร, ริมพระพุทธคุณก็ประมาณห้านาทีจนอาจจะถึงเจ็ดแปดนาทีแล้วก็จะเข้าเรื่องคือบทของมุทเทศที่ท่านยกขึ้นมาแต่ก็อธิบายขยายความแล้วก็จะสรุป คือเขเรียกว่าเป็นวิธีแบบครูพันมังกรตีปณีหรือมงคลทิปณีพูดง่ายๆนะฮะรูมงคลทีปณีนี้พระสีรามังกราจารท่านก็ได้แสดงความนอบน้อมเช่นเดียวกันบอกว่าพระพุทธเจ้าโปร่งใดอันโลกเรื่องลือว่าเป็นมงคลของถวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยมงคล เป็นผู้แสดงอัดแห่งมงคลเป็นการที่เห็นว่าองค์พระพุทธเจ้าเองก็เป็นมงคลอยู่ในพระองค์เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่รวมของพระรัตนตรัยคือส่วนองค์ของพระพุทธเจ้าเองนั้นก็คือพระพุทธเจ้าและในขณะเดียวกันธรรมะที่ออกมาจากคาทัย ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เป็นหลักของประสัทธรรมครบสามประการแต่มีลักษณะจะหมุนเป็นวงกลมแต่าหากว่าท่านฟังลองสังเกตนะฮะจะหมุนเป็นวงกลมคือพระไทของพระองค์นั้นเข้าถึงโล ก, กุตระโดยผลของการปฏิบัติธรรมะเธอเข้าถึงนิโรธ ซึ่งก็หมายความว่าธรรมะภายในพระไตรของพระองค์นั้นก็เป็นปฏิเวทสัจธรรมเป็นมรรคผลนิพพานแต่ว่าเวลาเปล่งมาเข้าหูผู้ฟังเช่นทรงแสดงธรรมจักแก่พระปัญญวคีพระปัญญวคีได้ยินก็เป็นปริยัติสัจธรรมสำหรับท่าน เมื่อท่านศึกษาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามก็เป็นปฏิบัติสัจธรรมของท่านแต่เมื่อเกิดผลขึ้นภายในจิตของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตอนฟังอนัตตลกักษณสูตรท่านก็บรรลุมรคผลเป็นพระอรหันต์หมดเพราะาธรรมะที่ท่านรู้เห็นนี่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดง ่ากว่าผลที่เราได้รับไม่ตรงกับที่ส่งแสดงก็แสดงว่าผิดดังนั้นธรรมะในพระไตรปิฎกจริงๆจริ ง, ร ง, รงไม่ใช่มีฐานะเป็นปริยัตมันเป็นปริยัตสำหรับเราแต่ว่าองค์ธรรมนั้นเป็นปฏิเวทมาก่อนแล้วก็แสดงเปิดเผยในฐานะที่เป็นปฏิเวทเพราะเป็นสัจธรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนปแปลง พระเจ้าศัตรูอริยสัตว์สีามาทั้งปวงก็เป็นอริยสัตวสี่เพียงแต่ว่าทรงแสดงไว้โดยประยายใดแต่นั้นเองดังนั้นองค์พระเจ้าเองก็เป็นอุดมมงคลเลยเพราะทรงเป็นอรหันตสมาสมาสัมบุตระเือพูดถึงอรหันตสมาสมัมบุตระวันก่อนที่มาตอบคําถามที่ สถานีในวันอังคารก็มาแทนอาจารย์จำนุงก็มีคนถามถึงว่าต้องเรียกพระพุทธเจ้าว่าอารหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะคือจะไปเรียกชื่ อ, อย่างอื่นไม่ได้ที่จริงเรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้นะฮะแต่เราอย่าลืมนะอระหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะเนี่ยมันจะเรียกในกรณีที่พูดถึงพระพุทธเจ้าสามประเภท แต่ในบทบทพุทธคุณเนี่ยเรียกว่าสมมาสัมพุทธเจ้อาอรหังสัมมาสัพพุโธไงพิช า, านาสปนุสุกตโตโลกาวิดวนุตโธบริสธรรมสารติสัทธาเด ว, วมนุสานังบุทโตภะกวะแล้วว่าเวลาเรากล่าวนอบน้อมก็เหมือนกันอรหังสัมมาสัพพุโธเป็นพระคุณสองบทนะฮะอระหังนั้นเป็นบริสุทธิคุณสมมาสัพพุโธเป็นปัญญาคุณแล้วก็ภะกวะก็เป็นกรุณาคุณ เดี๋ใครสมัครใจจะเรียกอาราหันตสมาสมพุท ธ, ธาก็ได้แต่อย่าไปไปเสดคนอื่นนะพระนามพระพุทธเจ้าเยอะมีเป็นร้อยๆจะเรียกพระนามใดก็ตามแต่ว่าพระนามทั้งหมดให้สังเกตไว้อย่างหนึ่งว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเพียงแต่ว่าจะเน้นข้อใดแต่นันเองอย่างในอาราหังซึ่งเน้นที่บริสุทธิ์ แต่มันเกิดขึ้นมาจากปัญญาแล้วพระไทยของผู้ที่บริสุทธิ์นั้นจะมองคนอื่นด้วยการุณาเพียงแต่ว่าจุดเด่นเป็นบริสุทธิ์กุณนั้นเองสมาสพุทโธเน้นที่ปัญญาซึ่งทำหน้าที่ขจัดกิเลสจนพระไถยบริสุทธิ์ก็ทำให้พระองค์เกิดการุณาเพียงแต่ว่าเน้นที่ปัญญาเป็นผู้นำภะคะวาเป็นผู้จำแนกแกจกจ่ายธรรมเป็นการ แสดงให้เห็นถึงกรุณาคุณเดีวการที่พระองค์มีธรรมะสมบัตแสดงก็เพราะว่าพระองค์ได้มีปัญญาเครื่องศสัตยุที่ทำด้วยกรุณาเพราะว่าพระไทรพระองค์บริสุทธิ์จากกิเลสมันก็ผลกันอยู่อย่างเงี้ยว่าแยกกันไม่ออกอย่างเงี้ยแต่พูดคนละช่วงคนละจังหวะได้ในทีน่นี้ท่านก็ถือว่าเป็นมงคลเนี่ยก็เป็นพระพุทธคุณอีกบทหนึ่งหมายความว่า อันโลกเรื่องลือว่าเป็นมงคลคองค์พระพุทธเจ้าเองนะเป็นเป็นเป็นมงคลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นมงคลเพราะการได้เห็นพระพุทธเจ้าการได้ฟังพระพุทธเจ้าการได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าการปฏิบัติบำรุงพระพุทธเจ้าเป็นมงคลหมดเราดูในฉอนุตริยสูตร คือสูตรที่ว่าด้วยอนุตริยะทั้งหกประการเนี่ยไปผูกพันเชื่อมโยงอยู่กับพระพุทธเจ้าทท่านั้นนั้นแสดงหเห็นอะไรแสดงว่าใครก็ตามถ้าดำรงชีวิตอยู่ด้วยเหตุผลสติปัญญามีจิตใจบริสุทธิ์พอสมควรมีน้ำใจต่อบุคคลอื่น มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นก็แสดงว่าเป็นมงคลตามทุกวรแก่ฐานะเพราะว่าการกำหนดมงคลกำหนดที่ตัวคุณธรรมซึ่งบุคคลให้บังเกิดขึ้นภายในใจในมงคลเป็นธรรมะปฏิบัตินะฮะเป็นธรรมะปฏิบัติหมายความว่าถ้าคนไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดมงคลคนยึงต้องปฏิบัติผู้เจ้าเป็น เป็นธรรมราชาเป็นธรรมสามีเป็นเจ้าแห่งธรรมเพรา ะ, ะนั้นพระองค์เองก็เป็นมงคลแล้วก็เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยอมรับนะฮะคือการยอมรับนี่สำคัญมันก็เหมือนกับคำพูดที่เราพูาพดถึงว่าไก่แจได้พลอยเนี่ยไก่แจแกไม่รับคุณค่าของพลอย ปล่อยมันก็ไม่มีคุณค่าสมรับติเจาผลพวกอัญญะเดรธีทั้งหลายเนี่ยที่เขาไปเสด็จพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นมงคลสมรับคนหลนั้นแต่ว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ถือว่าพระเจ้านั้นเป็นมงคลโดยพระองค์เองคนอื่นที่ไปเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าในฐานะอะไรก็ตามก็ถือว่าประสบสิ่งที่เป็นมงคล แล้ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้แสดงอัฏถะคือเนื้อหาแห่งมงคลเป็นการถามที่เขาเรียกคำถามปลายมันเปิดจะถามว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้พากันคิดมงคลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดจัดบอกมงคลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือไม่ได้บอกมงคลระดับใด พระุทธเจ้าก็เริ่มต้นมาจากจุดเริ่มต้นซึ่งจะกล่าวในโอกาสต่อไปแต่ท่านก็ประกาศสถานะของท่านว่าข้าเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นมงคลการแสดงความนอบน้อมเป็นอาการของจิตที่เกิดการยอมรับนับถือศรัทธา มันทำหน้าที่ลดกิเลสประเภทมานะคือความถือตัวความกระด้างความดื้อดึงความแข็งดีความอดดีอะไรต่างๆเนี่ยงการแสดงความอดอน้อมถ่อมตนต่อใครก็ตามนะฮะ่เป็นมงคลก็มีข้อน่าสังเกตอีกข้อหนึ่งนะฮะจากการมาตอบปัญหาแทนอาจารย์ดำรงึ้นก่อนเนี่ย คืมีข้อที่น่าสังเกตว่าเรามักจะมองพระไปในแง่ร้ายแล้วก็เล็งผลเลิศแต่ที่น่าสังเกตก็คือค้นถามปัญหาเป็นผู้ชายมากน่าชื่นชมก็แสดงว่าผู้ชายก็ฟังรายการธรรมะ ก, กันเยอะแต่ได้โปรดเข้าใจนะะว่าความผิดที่เกี่ยวกับพระสงฆ์มีมาตลอดตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพราะว่าพระสงฆ์ไม่ใช่เทวดาจากสูงสวรรค์นะฮะพระสงฆ์คือลูกชาวบ้านเป็นระบบการเลื่อนไหลของสังคมามาเคยไปบรรยายอบรมในที่หลายแห่งโดยเฉพาะในยุคหนึ่งเนี่ยเราจะอบรมครูสอนจริยธรรมจะได้ศึกษาในทั่วราชอาณาจักรในานามกรมการศาสนา เราเจอคำถามในแนวเนี้ยโจมตีพระประพฤติไม่เรียบร้อยอ่านหนังสือก่อตะกุกตะกักเทศก็ไม่น่าฟังเลยคนก็ไม่เข้าวัดเพื่อคนอื่นถามนี่ไม่น่าตำหนิหรอกแต่ครูถามเป็นปัญหาที่จะต้องย้อนถามกลับไปเลยก็ถามย้อนกลับนะ ย้อนกลับครั้งสุดท้ายย้อนกลับกับครูนี่ที่จังหวัด ส, สุราษฎร์หลายปีมาแล้วในสมัยรัฐบาลชวนถามว่าใครเป็นคนถามประหนานี้ไม่มีคนตอบถามว่าครูเคยคิดไหมว่าพระนี่นคือใครมาจากไหนก็ไม่มีใครยอมตอบเนะราก็อธิบายฝั่งพครูลองลองนึกดูนะคพระนั้นคือลูกชาวบ้าน คลอดมาจากผู้หญิงชาวบ้านนี่แหละเ้าก็เติบโตอยู่ภายในครอบครัวระยะหนึ่งพออายุครบข้าวโรงเรียนอนุบาลก็ถูกส่งเข้าโรงเรียนอนุบาลจานั้นเข้าโรงเรียนประถมข้าโรงเรียนมัธยมถ้าแยกไปอาชีวะก็แยกเมื่อมสามแล้วบางทีก็แยกตอนมหก แล้วข้าวมหาวิทยาลัยคือเราเอาเฉพาะจากอนุบาลอนุบาลสองปีประถมหกปีมัธยมหปีสิบสี่ปีเนี่ยก็ยังไม่ครบบวชนะมันต้องจบหมหาวิทยาลัยหรือว่าจบปวสรหรือปวชก็สแสดงว่าอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ย อาจจะสิบแปดปีหรืออาจจะอย่างเบาๆนี่ก็สิบหกปีปัญหาที่ต้องถามก็คือว่าสอนเด็กยังไงทั้งสิบกปีอ่านหนังสือไม่ออกสอนเด็กยังไงทั้งสิบกปีจึงประพฤติไม่เรียบร้อยเธอไหลเข้าวัดเมื่ออยูยี่สิบปีแล้วนะฮะยี่สิบขึ้นแล้วแล้วก็เป็นบวชระยะไม่ค่อยยาว การฝึกเปรี่ยวปรองคนเนี่ยเราต้องเข้าใจโยมต้องนึกนะฮะว่าเด็กรุ่นเดียวกันคนหนึ่งอยู่นอกวัดคนหนึ่งบวชไปในวัดจบมาด้วยกันนะจบปี ญ, ญาตรีด้วยกันปรากฏว่าคนที่อยู่นอกวัดรักษาศีลห้าข้อไม่ได้คนอยู่ในวัดรักษาศีลสองร้อยยี่บเจ็ดข้อบกพร่องไปบ้างบางข้อมันห่างกันเหลือเกิน คนก็คนนี่นะเพราะฉันการจะไปด่า ว, ว่าใครเนี่ยต้องถามเราเรารักษาศีลห้าได้หรือเปล่าศีลห้านั้นเป็นหน้าที่คนชาวบ้านชาวบ้านทุกคนอย่างน้อยต้องมีศีลห้าเราต้องถามตัวเองตรงนี้ยทีนี้เมื่อเห็นคนอื่นบกพร่องมันใช้วิธีด่าวด่าพรเนี่ยด่าวพระเดี๋ยวนี้อย่างนี้มันบาปนะ มันหมดโลกนะด่าคำว่าพระเดียวนี้คือถ้าเราชัดเจนต้องบอกพระกอพระขอพระขอพระงองมาไม่ได้ใช้คำว่าพระเดียวนี้มันขาดหลักของอุบาสก ข, ขหลักของพุทธศาสนาชนที่พระเจ้าทรงสองในให้มีเมตตาทางการกระทำทางการพูดทางการคิดต่อพระสงฆ์ สมราท่านผิดก็เป็นบาปกรรมของท่านวิธีด่านั้นคือเพิ่มบาปไปแก่เราไม่ได้เพิ่มบาประแก่ท่านนะแต่ถ้าพูดจากันดีๆก็พูดกับท่านได้ตรงบอกกล่าวให้สติตักเตือนในทำได้ด้วยความเมตตากรุณาเนี่ยแต่ถ้าดานี่บาปด่าแมวก็บาปนะ อย่าว่าจะด่าพระเละด่าแมวก็บาปอย่าไปคิดว่าเราเป็นชาวพุทธเรามีสิทธดาพระไม่ได้อะบาปด่าลูกก็บาปนะด่าด้วยโทสะบาปนั่นคือการกระทำการพูดการคิดด้วยอานาจของกิเลสอย่าใช้สิทธ์ความเป็นชาวพุทธมาด่าพระป้องกันบาปไม่ได้หรอกหลบหนีบาปไม่ได้หรอก บาปร ะ, ระดับว่จจีทุจริตไม่ใช่บาปธรรมดานะครับบาปที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าถูกผลักลงนูณรกเลยนี่เป็นข้อสังเกตจากการถามปัญหาทุกครั้งที่มีการถามจะมีลักษณะอย่างนี้ออกมาเยอะเ้วถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกหลกการปฏิบัติธรรมะนั้นเรารับผิดชอบในกรรมของเราเอง แต่และคนรับผิดชอบในกรรมตัวเองทุกคนมาด้วยกรรมของตนอยู่ด้วยกรรมของตนจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของตนใครทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชัว่วนั่นคือสูตรที่จะต้องจับเอาไว้นี่ก็แวะออกมานะฮะเป็นข้อสังเกตเพื่อไม่ไม่ต้องไปทุ่มติ่งทางสถานีพิทยุเป็นการให้ใหข้อสังเกตไว้บอกกล่าวไว้ พันธุเราลองสังเกตว่าพระสิริมังคลาจาร์เนี่ยท่านเริ่มที่เข้าไปเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นมงคลการนอบน้อมเป็นสามีจีก ร, รมที่เป็นหลักการปฏิบัติที่ใกล้นิพานนะขุเจ้ารส่งชัยคำว่านิบานัตเสวสันติเกเป็นการปฏิบัติที่ใกล้นิพานเข้าไป เรากนคารวะในหเรื่องใหญ่ๆหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพระธรรมแล้วพอถึงพระสงฆ์เนี่ยพระเจ้าทรงใช้คําว่าสังเคจะติบคาระโวมีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์แล้วก็มีความเคารพในไตรสิกขา มีความเคารพในความไม่ประมาทมีความเคารพในการปฏิสันฐานแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยมีความเชื่อมโยงถึงกันการปฏิสันฐานการต้อนรับบุคคลที่ควรแก่การต้อนรับตามเหมาะตามควรแก่สถานะของบุคคลเหล่านั้นเป็นการปฏิบัติตามหลักของใจสิกขา แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นการโดิปัติธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องปฏิเสธนฐานทั้งสองประการเอาไว้เป็นการดาเนินตามหลักการของพระสงค์และเป็นการ <c oughs> โดยเสด็จรอยุคนบาทของพระพุทธเจ้าผการแสดงความเคารพจึงถือว่าเป็นหลักการที่สาคัญนะคั แสดงถึงคุณภาพในด้านจิตใจของมนุษย์ให้ลองสังเกตว่าลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยท่านอุปมาให้ดูรวงข้าวรวงข้าวที่พริ้วอยู่ข้างบนเนี่ยแสดงว่ารีบแต่รวงข้าวที่ค้อมรวงลงเนี่ยแสดงว่ามีคุณค่าตานคนเราเนี่การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนระบุคคลทั้งหลาย เป็นกิจที่ควรแก่การกระทําที่ท่านบอกว่าเป็นผู้น้อยคอยก้มประนมกรเหนื่อยไปก่อนอยู่สบายมาปลายมือคนเราเป็นผู้น้อยด้วยกันทุกคนเนี่ยนะครับเรามีผู้ใหญ่เหนือกว่าเราอยู่ตลอดแต่การแสดงความเคารพนอบน้อมที่เป็นหลักปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยพู้เจ้าส อ, สอนให้แสดงความเคารพ ออนน้อมต่อคนทุกวัยทั้งสามวัยเป็นผู้ใหญ่เหนือเราเป็นผู้เสมอเราเป็นผู้ที่อายุน้อยกว่าเราเราก็พูดถึงพุทธบุคคลไว้สามประเภทนะฮะชาติวุฒิไวยวุฒิคุณวุฒิเพราะชาติวุฒิเนี่ยอายุอาจจะน้อยกว่าเราคุณธรรมอาจจะน้อยกว่าแต่เราก็ต้องเคารพววยวุฒิวยวุฒิคุณธรรมอาจจะน้อยกว่าเรา อายุท่านมากกว่าเราก็เคารพคุณวุธเนี่ยเราอาจจะคุณธรรมมากกว่าหรือคุณธรรมเสมอกันหรือแม้แต่คุณธรรมเราต่ำกว่าเราก็ให้ความเคารพปุญญาทรงสอนพระมหากัสสปะตอนที่ท่านขอสมัครเป็นสาวกคือท่านบวชมาก่อน แล้วก็มากราบพระบาทพระพุทธเจ้าประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงประทานโอวาทสามข้อหลักข้อแรกก็ดูก่อนกระสับเธอพึงเข้าไปตั้งความละอายและความยำเกรงไว้ในภิกษุทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นผู้เท่าทั้งที่เป็นปานกลางอย่างแรงกล้าและเมื่อฟังธรรมอันใดก็ให ตั้งใจฟังทำนั้นเงี่ยหูหลงฟังแล้วก็ ก, กำหนดข้อความพิจารณาธรรมะเหล่านั้นแล้วก็มีสติเป็นไปในกายคือเจริญกายยักาซาตติเพราะตอนพระมหาคสบะท่านบวชเนี่ยท่านอายุค่อนข้างมากแต่ว่าท่านบวชแล้วได้แปดวันนั่งก็เป็นพ ร, ระอรหันต์วันคุณธรรมคือความน้อมน้อมเวลาในมงคลในะอยู่ปลายปลายไปนะ แสดงว่าการปฏิบัติในะระดับสูงประการต่อไปบอกว่าพระธรรมใดอันโลกหรือว่าเป็นมงคลของถวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการโดยมมงค ล, งคลซองอัดแห่งมงคลคือหมายความรธรรมะแต่ละข้อเนี่ยเป็นอุดมมงคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้นะฮะให้เป็นข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าในแนวของมงคลเนี่ยพระยาแสดงธรรมะประเภทมักกะสัตรกับนิโรธสัตว์ยกเว้นแต่ข้อแรกเป็นการสะท้อนภาพของสมุทัยสัตว์นอกนั้นแล้วก็เป็นมักกะสัตรกับนิโรธสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นมักกสัตรนะฮะ เป็นหลักการปฏิบัติที่ถ้าเราเทียบเคียงเอาลัทธิขงจื้อทางลัทธินะฮะลัทธิขงจื้อเนี่ยไม่ต้องเทียบกับมงคลนะมันมันไกลกันเทียบกับสิงคาโลวาทสูดเดีย๋ยวไม่ได้เลยสิงคาโลวาทสูตรนั้นกรอบเขาว่างกว่าแล้วก็สูงกว่าหมายความถ้าคนปฏิบัติตามหลักของสิงคาโลวาทสูตรเนี่ย จะพัฒนาการกายวาจาจนถึงใจนะถึงใจที่สงบเย็นต่นิดขึ้นไปโดยผลที่จิตได้สัมผัสธรรมะลึกๆตามที่ทรงแสดงเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันหลักธรรมเหล่านั้นก็ได้ส่องอัดที่เป็นมงคลดงนี้การส่องอัดเนี่ยมันก็ครูมหมดทั้งอาดยสัต เพราะว่าในกลุ่มของทุกกษัตริย์ถ้าเราใช้ปัญญาพินิเินจนาทำใจยอมรับความจริงแล้วก็ถ่ายถอนลดละตัณหามาหนติทิฏลงไปได้ก็เป็นมงคลส่วนสมุทัยสัตว์ถ้าเรามองเห็นโทษชัดเจนแล้วก็พยายามละมันก็เป็นมงคลนะแต่หมายความว่าปฏิบัติให้เป็น มักษัตร์แน่นอนเมื่อมีการศึกษาและนำมันปฏิบัติมันก็เป็นมงคลละแล้วลส่วนผลนินโรดนั้นเป็นอุดมละเป็นสุดยอดของมงคลจากนั้นท่านก็บอกว่าถ้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นมงคลแล้วใช้ข้อความเดิมนะะ ว่าประสงค์ได้ันโลกเรื่องลือว่าเป็นมงคลของถวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการโดยมงคลเป็นผู้กระทําอัดแห่งมงคลพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นั้นผู้เป็นมงคลให้ลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงอัดแห่งมงคลพระธรรมเป็นผู้ส่องอัดแห่งมงคลพระสงฆ์เป็นผู้กระทําอัดแห่งมงคลคือปฏิบัติตามเนื้อหาแห่งมงคล คำว่าพระสงฆ์หมายถึงบุคคลที่มีภารกิจในการศึกษาพระธรม ร, ะธม ร, ะธรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยแต่พอกล่าวถึงเนื้อหาสาระจริงๆ ท่านฟังลองสังเกตดูนะว่ากา ร, ร, รปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหมดที่เป็นการดาเนินไปตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงเนี่ยสรุปแล้วมีกรอบใหญ่อยู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรมรมปฏิบัติสมควรคำว่าสมควรเนี่ย น, นใช้คำว่าสามี สามีแปลว่าเป็นใหญ่เป็นนายเหนือกิเลส ท, ทั้งหลายหมายความมันสามารถควบคุมกํากับกิเลสเอาไว้ได้แม้เราจะละ ก, กิเลสไม่ได้แต่เราควบคุมได้กํากับไปได้คมไปได้สยบไปได้โดยมีการดับได้เป็นเป้าหมายสูงสุดแล้วก็ดับก็ค่อยๆดับนะฮะดับจากระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดก็ว่าไปเรื่อย เพราะตรงนี้จะกลายเป็นคำว่าสูงหรือแปลว่าหมู่ไม่ได้หมายถึงพระสง์เพราะอะไรเพราะว่าตรงกลางข้อความในสังฆคุณเนี่ยท่านจะถามว่ายดีดังนี่คือใครแล้วท่านก็ตอบเองนะฮะจาตาริปุริสุกานีคู่แห่งบรุษสี ผู้แห่งบุรุษีคืออะไรคือโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลสักกาคาหมีมักสักกาคามีผลนนาคามีมักนันาคามีผลนรหัตต์มักกรหัตตผลอัฐะบุริสุภุกราบุรุษบุคคล8คือสคู่เนี่ยถ้าแยกเป็นลำดับมักมักผลน่ยก็กลายเป็น8แล้วท่านก็บอกว่าเอสะพระกระตสาวกสังโคนี่คือหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคยา ก็มีประเด็นที่ควรตระหนักอีกข้อหนึ่งนะครับคำว่าสาวกเวลานี้รู้สึกใช้พราเพื่อกันเหลือเกินนะเวลานักร้องขรัง่งผูกดาราขรั่งมาจากต่างประเทศหนังสือพิมพ์จะลงข่าวว่าสาวกนะพวกสาวกไปกรีซกันสาวกไปต้อนรับกันไปกรีซกันสนัน นอนเมืองเกินไปนะสาวกเขาใช้ระหว่างศาสดากับศาสนิกแล้วก็ใช้ในกรณีที่ท่านผู้นั้นได้ฟังจากพระโอษของพระองค์เพราะเราจึงมีปัปฐมสาวก ค, คือพระอัญญกุลธัญะและเรามีมีปชิมสาวก ค, คือพระสุพัทธะ เป็นอดีตปริพาชคนะที่มาฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าเป็นรูปสุดท้ายบรรลุมรรคผลท่านการท่านก่อนพระพุทธเจ้าปนิพพานเนี่ยเป็นรูปสุดท้ายพรานท่านเราท่านจึงเรียกว่าปัจฉิมสาวกส่วนเราที่เกิดรุ่นหลังแม้จะเป็นภิกษุเราก็เป็นพุทธบริษัทเป็นภิกษุอ่เป็นศนะาสนิก เราก็ไม่ไปเรียกตัวเองว่าเป็นสาวกเพราะว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังจากพระโอษฐโดยตรงแล้วก็หมายถึงฟังธรรมะนะคือคำบางคำมันควรสงวนไว้ใช้ในทางที่เหมาะที่ควรอยู่ด้วยแล้วมาถึงคำนี้แล้วยังมีคำหนึ่งนะคำว่าอารหรัน ชาวบ้นทไปมักจะอ่านว่าอรหันนะอรหันนี่ผิดนะอรหันเป็นสัตว์ในเทพนิยายต้องอ่านว่าอรหันแปล ว, ว่าผู้หักกรรมแห่งสังสารวักรเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ไม่ทําบาปแม้ในที่ลับเป็นผู้ควรแก่การไหว้สักการบูชาเรนี้สื่อสารมวลชนชอบเอาไปใช้ คือดูแล้วมันเหมือนกับขาดบุตริภาวะมากลเลยเนกะินน่ะสาวกอรหันเนี่ยเขาใช้สมบพันีิหมดกิเลสนะไม่ได้ไปใช้กับเจ้าหน้าชีของราชการเจ็ดอรหันหกอรหันยี่สิบห้าอรหันสิบแปดอรหันอะไรต่ออะไรเนี่ย อ, อกชอบมาใช้แล้วสถานีโทรทัศน์ที่ชอบใช้คำนี้มากที่สุดคือช่องสามใช้บ่อย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกไม่มีใครตักเตือนให้สติว่ากล่าวอะไรกันบ้างหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่สุพิมพในแพร่หลายมาคำบันนี้ต้องทำสิ่งที่เป็นมงคลนะฮะใการพูดการเขียนเท่านั้นไม่เป็นมงคลไม่รู้จักที่สูงที่ตม่มขาดความเคารพในพระหันทั้งหลายนะะเป็นทางเสื่อมนะ ขุยวิจาทสรงแสดงไว้ในอภรณิยธรรมเนี่ยต้องให้ความเคารพแก่พอะรารทั้งหลาย แ, แสดงความไม่เคารพก็เป็นทางแห่งความเสือ่อมเพราะถ้าแสดงความนอบน้อมพระสงือท่านที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัตสิสมควรเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้อยู่ในฐานะที่ควรแกการนอบน้อม ดังนั้นถ้าเรามองที่พระสังฆคุณเก้าบทนะพระสังฆคุณไม่ได้เหมือนกับพุทธคุณนะพุทธคุณเป็นคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาบริสุทธิ์กรุณาพระธรรมทั้งหมดอ่ะเป็นคุณของพระธรรมแต่พระสงฆ์ที่เป็นตัวของท่านเองนี่คือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติปตปตเป็นธรรมปฏิบัติสมควรสี่ข้อ ส่วน้าข้อหลังเนี่ยเป็นความรู้สึกนิคิดของชาวบ้านที่รู้ดีรู้ชอบรู้ว่าควรวิบัติตนต่อบุคคลเหล่านั้นอย่างไรในที่ถกเนี่ยทรงแสดงในข้อที่สี่ข้อที่ห้าว่าเมื่อพระมาสู่สำนักก็ยินดีตอนรับแล้วในขณะเดียวกันก็เมื่อเกิดพลังศรัทธาขึ้นมา ปรารถนาที่จะทนุบำรุงก็นําปัจจัยทยทานไปถวายการถวายปัจจัยทยทานก็เหมือนกันนะมีการพูดในทางองค์พระนั้นไม่ควรจะมีเงินมีทองถ้าต้องการอย่างนั้นลองมาบวชดูก็ได้นะถ้าอยู่ไม่ได้หรอก อยู่ไม่ได้มานั้งแต่สมัยอุทกาลแต่ว่าจะตุปัจจัยที่ได้เนะี่ยญาติโยมของท่านเขาถวายหรือท่านไปปฏิบัติภารากิจในการเจริญพระพุทธมนต์เทศอะไรแตะ่ะไรทำงานต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็บูชาเพื่อใช้ในกิจการทางศาสนานั่นแหละแล้วงานบางอย่างเนี่ยมันควรจะมีมากเลยซ้ำไป อย่างอาตมาเองถ้าจะถามว่าเราต้องการได้เงินมากไหมที่จริงเราต้องการมากแต่ว่าไม่ใช่ต้องการเพื่อตัวเองเลยต้องการจะสร้างศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมโยชนเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรเป็นศูนย์ทางวิจัยศึกษาค้นคว้า ทำงานสืบสารผลงานของพระพุทธเจ้าในด้านการศาึกษาด้านการปฏิบัติด้านการเผยแพ่ด้านการปกป้องรักษาพระศาสนาตอนนี้บนเอกเสรีให้ลูกน้องออกแบบให้แล้วทำหมอดเเดนเล็กๆให้แล้วที่ดินญาติโยมก็ถวายแต่ว่าจำนวนไม่มาก ก็ไม่ถึงห้าไร่ดีแต่ก็สามารถตั้งเป็นสำนักงานได้นะสามารถตั้งเป็นสำนักงานได้อย่างนึกว่าเราจะรดดมก็เรียกว่าสมองของศาสนาเนี่ยนักปรารถนาศาสนานี่ไปอยู่ด้วยกันแล้วมีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามปฏิบัติประสานงานเข้าไปคือต้องช่วยเหลือสังคมอย่างแร ง, งนะ แต่บนโลกแท้มันทำไม่ได้จริงๆเราตั้งศูนย์เริ่มแนวความคิดศูนย์มาเนี่ยตั้งแต่ 2,529 นะมันเดินไม่ได้คือพูดจาไปแล้วคนไม่มีใครเขาเห็นชอบเราประกาศที่จะหาที่เพื่อสร้างศูนย์ปศสภานะ2 9คุณจำลองเขาประกาศหาที่เลี้ยงหมามีคนให้ที่ สามสิบพาดไร่ที่ทุ่งสีกันแต่อาเช่านะตอนนี้รู้สึกเกาขึ้ไปแล้วทุนส่งเสริมพุทธศาสนานะมีคนเสนอให้ที่ก็ไกลเกินไปมันที่ก็น้อยเกินไปนะแล้วสรุปว่าเดินยังไปไม่ถึงไหนเลยจนถึงปัจจุบันยังเป็นวงว่ากูจะตายไปก่อน อย่างนึกว่าโอกาสหนึ่งเนี่ยคงจะต้องบอกกล่าวกับญาติโยมทางสื่อบ้างเผื่อ ว, ว่าใครเห็นดีเห็นงามในเรื่องเหล่านี้มีโยมอะไรคนหนึ่งที่เขาสร้างวิทยาลัยการาศาสนาขึ้นที่หมายดนลอายุท่านตั้ง9ก้าบ่าและความคิดยังทันสมัยเลยเกเป็นโยมผู้หญิงนะบริจาคเงินเป็นกองทุนพัฒนาการศาึกษาพระพุทธศาสนา ถึงเงินานี้เราขาดแคลนถ้าเราอยากได้ไหมที่จริงอยากได้เพราะถ้าเราถ้าเราได้แล้วเราจะทำงานเผยแผ่าศาสนาได้อะไรอีกเยอะเลยปัญหาเรานี้มันก็ติดอยู่ตัวเนี้ยิดก็ทำไม่ได้รายการนี้พลเอกเสรีเขาก็มีมนให้พูดมาเคยประรบว่าที่จริงก็มีปัญญาพอจะพูดอะไรได้อยู่ ว่าไม่มีสตางค์เราก็เลยก็สนับสนุนในการทำรายการแล้วก็สนับสนุนหลายเรื่องแล้วนะฮะนี่ก็อยากโยมรับทราบและมุทนาก็ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มองกันด้วยเหตุผลไม่ใช่มองโดยหาทางออกให้ไรให้ไม่ได้ คือต้องหาทางออกให้ได้ว่างานพระศาสนานี่เป็นงานของผู้เสียสละคนที่ทำงานตรงนี้ต้องเสียสละแต่ต้องมีให้เสียสละหมายความว่าทุกคนทำงานก็ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้เราไปอบรมสั่งสอนต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องมีค่าผานหน้าแล้วไม่มีค่าผานะเราก็ไปไม่ได้ละถ้าเขามารับเนี่ยเสียค่ารถสี่เที่ยวนะแต่ถ้าเรามีรถไปเอง ลูกศิษย์เขาให้รถใช้เราก็ไปเองเราก็จาก่ายค่าน้ามันแค่สองเชี่ยวเป็นการสงวนทรัพยากรของแผ่นดินเอาไว้แล้วก็สามารถทำงานได้เป็นประโยชน์แก่ศาสนาได้แล้วมันอยู่ที่การมองคือชากบ้านเขามองเห็นเขาก็เห็นว่าอาหุนโยควรแก่การคำนับปาหุนโยควรแก่การต้อนรับ แล้วก็ทักษิณนโยควรแก่การถวายทานแล้วก็อัญเชิการในโยควรแก่การประนมมือไหว้เพราะอะไรเพราะอนุตรังบุญญาเกตังโลกัสสะเห็นว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกเราทาเพื่อเรานะฮะเรก็ไม่ทำเพื่อพระตัวบุญนี่ยได้เราแน่นอนเราตักบาตรเนี่ยพระก็ได้ฉันอาหาร แล้วก็มีกำลังในการปฏิบัติภารกิจทางศาสนาแต่คุณเหล่านี้ก็เรียกว่าปราริตคุณคือคุณสูนที่เกือ้อกูลระบบคนอื่นคนต้องมองเห็นมองเห็นคุณธรรมของพระว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเด็นธรรมปฏิบัติสมควรตามเหมาะสมแก่สถานะของท่านนะฮะไม่ใช่เราไปขีดเส้นลงว่าตัวเนี้คือมาตรฐานสากล คนจะเดินเข้าไปสู่มาตรฐานแต่ถึงมาตรฐานเนี่ยไม่เท่าไรหรอกเพราการไปบัติธรรมะที่จริงมันมีลักษณะคล้ายๆกับคนวิ่งแข่งมาราธอนน่ะวิ่งเต็มถนนนะแต่บทจะถึงจริงๆมันมีไม่กี่คน่ะแล้วก็จะนั่งเลิอ่อนตคนเดียวกันเด็นั่นคือหลักขันจริงคนเราอยู่ในโลกเนี่ยโดยเฉพาะโลกของพุทธเนี่ยในวิถีของพุทธจะต้อง เข้าถึงสัจธรรมของโลกเข้าถึงความจริงของโลกแล้วก็รู้โลกตามความเป็นจริงพุทธศาสนาเราเป็นโลกกวิทูนะฮะรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนตอนพุทธศาสนิกจะต้องเข้าใจโลกตามความเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติตัวให้เหมาะให้ควรแก่กนันนีเหล่านั้นโดยเนื้อหาสาระก็คือว่าจะต้องไม่เพิ่มบาปแต่ให้เพิ่มบุญ จะหมายความเพิ่มบุญบาปก็ลดเพิ่มความดีชั่วก็ลดนี่เป็นเนื้อหาสาระของความเป็นพุทธศาสนาเพราะนั้นการแสดงความอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยอย่างนี้มันเป็นเขาเรียกปุญญาปิสันธาคือการหลั่งไหลมาของบุญกุศลมีประการต่างๆใน่ลองสังเกตว่าเราลดได้ทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลง ลดได้ท anyway, ั its, ้งมานะทั้งความกระด้างทํางอดดื้อถือดีทั้งการดูถูกดูหมิ่นมันลดอะไรไปได้เยอะนะการแสดงความนอบน้อมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองกุศลธรรมอย่างอื่นอีกเก็นมากก็จะเกิดขึ้นติดตามมาทั้งฝังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรม ตจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี